จเจริญพรโยมเป็นเรื่องน่าดีใจนะพวกเราสนใจธรรมะมา ก, ม, ากมียุคนี้แหละคนสนใจการภาวนาเยอะจริงๆเมื่อ20กว่าปีก่อนคนเข้าวัดเยอะแต่ว่าคนภาวนาไม่เยอะหรอกแล้วมันเป็นปรากฏการที่ดีมากเลยคือคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาว สนใจภาวนาเพราะหวังความพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่แค่ว่าจะเอาบุญเอากูสอนอย่างเดียวทำบุญมันก็ดีเหมือนกันแหละมันก็ดีระดับหนึ่งการที่เราภาวนานั้นมันทำให้เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเรารู้เลยว่าคำสอนของท่านนะั้นมีประโยชน์จริงๆเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความมีประโยชน์ในการดํารงชีวิตของเราเราสามารถดํารงชีวิตแบบทุกข์น้อยลงน้อยลง ทุกวันนี้การภาวนานะโดยเฉพาะการที่เราฝึกมีสติในชีวิตประจำวันมากๆนะีร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวเรารู้ทันเราเริ่มเห็นผลของการปฏิบัติเวลาผ่านมาปีสองปีสามปีอนะไรเนี่ยคนที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั้นนับจำนวนไม่ท้วนนะเราเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นมาได้จริงๆจิตใจเราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อย ไปทุกนานก็ทุกสั้นลงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี่มันทําให้เราเกิดความมั่นใจขึ้นมามีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเรารู้ว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของลอยๆไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ตักกวิทยาลอยๆพูดเอาสนุกไม่ใช่แต่เป็นศาสตร์จริงๆเป็นศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์จริงๆโดยเฉพาะ ช่วงหลังๆเนี่ยพวกเราหันมาดูจิตดูใจมากขึ้นนะการดูจิตดูใจจริงๆก็เป็นแค่วิธีปฏิบัติทมอย่างหนึ่งเท่านั้นหนละในหลายๆอย่างนะจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้น ะ, จะเจริญธรรมานุปัสสนาเห็นกระบวนการทำงานของกายของใจแะไอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคนรุ่นของเราเนี่ยเรามาดูจิตดูใจแล้วมันเห็นผลเร็วนะ เมื่อปี2526หนะลวงปู่ดุลนี่เคยบอกหลวงพ่อบอกว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกไว้อย่างนี้นะตั้งแต่ปี26เมื่อเดือนก่อนหลวงพ่อมาเทศที่สาราหลวงชินเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นไปกราบครูบาอาจารย์องค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อชานะท่านอาจา ร, รย์อ น, นันต์วัดมัมกจันท์ลูกศิษย์หลวงพ่อชาเหมือนกัน ไปถึงท่านก็อนุโมทนานะว่าหลวงพ่อพาพวกเราภาวนาผู้คนมีจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะนับจำนวนไม่ท้วนเลยไปทั่วโลกเลยแลท่านก็บอกอันหนึ่งบอกว่าสมัยที่ท่านอยู่กับหลวงพ่อชานะหลวงพ่อชาเคยสั่งไว้บอกว่าต่อไปข้างหน้าถ้าจะสอนญาติโยมนะสอนพวกปัญญาชนนะคนในเมืองพวกปัญญาชนเนี่ยให้สอนดูจิต พออยู่ๆจะไบอกให้ทําทานให้ถือศีลให้นั่งสมาธิอะไรเนี่ยคนรุ่นใหม่จะรับไม่ได้มันรู้สึกช้าไม่ทันใจคนรุ่นนี้อะไรอก็ต้องเร็วใช่ไหมจะกินก็ต้องฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยถ้าอะไรอะไรก็ต้องเร็วไปหมดเลยนะการภาวนาก็ต้องการให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว น, ะนี่หลวงพ่อชาท่านสั่งบอกว่าถ้าให้ดูจิตเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะพอเขารู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเนี่ยก็จะเกิดศรัทธาขึ้น ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้านะสอนธรรมะแล้วก็ทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆ ง, งั้นพวกเราทุกวันนี้หนะลวงพ่อส่วนใหญ่ก็พาให้ดูจิตนะพาพวกเราส่วนใหญ่ดูจิตดูใจมีส่วนน้อยคนไหนชอบทำสมาธิก็ให้ทำสมาธิแล้วแต่จริตนิสัยทำสมาธิแล้วก็มาดูกายทำสมาธิก็ต้องทำให้เป็นไม่ใช่ทาให้เคลิ้มนะคนรุ่นหลังๆเนี่ยทสมาธิไม่เป็นหรอก ไปนั่งสมาธิก็นั่งเอาเคลิมนั่งให้ขาดสติไปนั่งมันทำไมให้ขาดสติสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่องั้นคนไหนชอบนั่งสมาธินะต้องนั่งให้เป็นนั่งแล้วให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเช่นเรานั่งรู้ลมหายใจไม่ใช่นั่งให้เคลิมแต่นั่งรู้ลมหายใจนะเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูในร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูดูอย่างนี้ไปเรื่อย เวลาเราเดินจงกรมนะก็เห็นเลยร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูแย่งเอาจิตออกมาเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาเพราะเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะสมัยก่อนเนะี่ยครูบาอาจารย์วัดป่าที่ลงพ้าไปเรียนทุกทุงองเลยท่านพูดก็าว่าจิตผู้รู้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะทาสมาธิแล้วก็ มาดูกายเห็นกายมันทํางานใจเป็นคนดูนี่ฝึกอย่างนีน้ต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นได้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจมันก็ทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวเป็นผู้รู ol, ้เดี๋ยวเป็นผู้เพ่งก็เห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่เป็นวิธีหนึ่งนะ ถ้าจะดูกายก็ต้องฝึกจนกระทั่งมีจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าไม่มีจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยไปดูกายมันจะไปเพ่งกายเวลารู้ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจนะเ mm. พ่งไปเรื่อยเลยถ้าเพ่งเบาๆนุม่มนวล น, นะก็เคลิมนะถ้าเพ่งแรงแรงก็เครียดอย่ไปดูท้องนะไปเพ่งท้องนะถ้าเพ่งเบาเบานะก็เคลิมเพ่งแรงแรงก็เครียดไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าไปเพ่งเท้าเนี่ย ถ้เพ่งเบาๆเพ่งสบายๆ้วก็เคลิมไปเมื่อเพ่งแรงๆก็เครียดนะีไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะหลงไปหรือเคร่งเครียดก็ใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลยต้องพยายามให้มันมีสติยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูต้องฝึกอย่างนี้เรื่อยๆมันถึงจะเกิดปัญญาเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจไม่ใช่ตัวเรานะนี่คนไหนไม่ถนัดจะทําสมาธิคนส่วนใหญ่ในรุ่นของเรานี่ทำสมาธิไม่ได้หรอกเพราะเราเหนื่อยเกินไป แต่ละวันพวกเราทํางานที่ต้องคิดเนี่ยแสนสาหัสอยู่แล้วเราคิดทั้งวันรู้สึกไหมทํางานด้วยความคิดนะบางคนไม่ได้ออกเรี่ยวออกแรงอะไรแต่คิดอย่างเดียวก็หาเงินได้แล้วทำอาหากินด้วยการคิดทั้งวันใจเนี่ยคุ้นเคยที่จะคิดใจไม่คุ้นเคยที่จะสงบแล้วพอคิดทั้งวันเนี่ยมันหมดเรี่ยวหมดแรงพอตกค่านะในนั่งภาวนาก็เคลิมเพราะมันหมดแรงแล้วมันต้องการพักผ่อน งั้นเราจะหวังว่าวันหนึ่งเราจะภาวนาจนจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมารู้กายรู้ใจเนี่ยมันหวังได้ยากนี้สิ่งที่พวกเราพอจะทาได้ก็คือการเจริญสติในชีวิตประจาวันนี้แหละเราภาวนาแบบคนยากคนจนนะไม่ใช่ภาวนาแบบลูกเศรษฐีภาวนาอย่างลูกเศรษฐีคือคนซึ่งเขาทำสมาธิได้จิตใจเขาสบายเข้ามาดูกายมาดูใจเข้าไปของเขาได้ เรามันจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบอย่างนั้นนะเราเรียกว่าเราขาดทรัพยากรมาเละรนะเรียกว่าต้นทุนจํากัดนะเพราะงั้นเราก็ต้องเอาเท่าที่เรามีนะถึงจะยากจนยังไงก็ต้องขยันภาวนานะจเจริญสติในชีวิตประจําวันนี่แหละเก็บคะแนนไปทุกวันทุกวันตัวนี้สําคัญที่สุดเลยถ้าตลอดวันนี่นะเรามีโอกาสแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆ ถึงเวลาต่อไปตกค่ำเราไปนั่งสมาธิเราก็นั่งได้เพราะใจเราสงบอยู่ทั้งวันแล้วนะเราอยู่กับโลกนี้แหละแต่ใจเราสงบใจเราตั้งมั่ น, นเวลาเราทำงานนะเราก็ตั้งอกตั้งใจทำงานไปแต่พอกิเลสมันแทรกเข้ามาในใจเราเราก็มีสติรู้ทันเห็นไหกิเลสหายไปเราก็ทำงานต่อหรือเราเป็นนักเรียนก็เรียนไปเรียนไปแล้วเกิดความขี้เกียจขึ้นในใจหรือว่าเกลียดขี้หน้าครูคนนี้นะ ถือว่าใจลอยอะไรนี้เราคอยมีสติรู้ทั น, เ, นเราก็เรียนหนังสือได้ดีนะคอยมีสติรู้ทันจิตใจของเราเป็นระยะระยะไปนะทํางานไปจําเป็นต้องคิดก็คิดไปแต่พอกิเลสแทรกขึ้นมานะให้มีสติรู้ทันไปพอหมดเวลาทํางานเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกตัวไปนะเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปเวลาจะกินข้าวนะเห็นความตะกระเกิดขึ้นในใจรู้ทันใจที่ตกะกระ เวลาปวดท้องไปเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ําแล้วมีความสุขนีมันชื่อห้องสุขาเข้าไปแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะเข้าไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนะในห้องน้งําหลวงพ่อเคยเห็นแต่ห้องน้ําผู้ชายนะมันจะมีวรรณกรรมตามฝาผนังนะตอนหลังๆเนี่ยพัฒนาขึ้นนะสมัยเมื่อสิปียี่ปีก่อนมีแต่เรื่องรามกเดี๋ยวนี้มีแต่เรื่องการเมืองเป็นหลักเลยนะเนี่ยเราไปนั่งดูใช่ไหมเราชอบ รู้ทันใจที่ชอบใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนะี่ยใจเราเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยนี่เราฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆแม้ขนาดเข้าห้องน้ำยังฝึกได้เลยพยายามไปเข้าห้องน้ำสาธารณะนะ <c oughs> แค่กลิ่นมันก็ฝึกสติได้แล้วนะ <c oughs> แค่เข้าไปได้กลิ่ น, นะนก็มีสติแล้ว เนี่เราคอยฝึกสตินะตามองเห็นใจเราเปลี่ยนแปลงเรามีสติรู้ทันหูเราได้ยินเสียงใจเรามีสติใจใจเราเปลี่ยนแปลงเรามีสติรู้ทันใจเราคิดเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจเราก็มีสติรู้ทันฝึกอยู่อย่างนี้นะจะใช้เวลาไม่นานหรอกเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิฝึกสติจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นเลยว่า ความสุขมันก็ชั่วคราวความทุกข์มันก็ชั่วคราวโลภโกรดหลงก็ชั่วคราวกุลศลทั้งหลายก็ชั่วคราวนะอะไรๆเกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวหมดเลยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตเองก็ของชั่วคราวนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งดูความเปลี่ยนแปลงของเข้าไปเรื่อยๆการที่เราเห็นว่าทุกอย่างมันเคลื่อนไหวทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยถึงวันหนึ่งถ้าจิตยอมรับความจริงตรงนี้เขาเรียกว่าพระโสดาบัน พระโสดาบันเนี่ยท่านจะเห็นธรรมะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจนะเห็นความจริงตรงนี้ท่านก็เลยรู้ว่าไม่มีหรอกสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรอพวกเราทุกวันนี้เรารู้สึกว่ามีตัวตนถาวอลพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้นะเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆ ก, ก็ยังเป็นเราคนเดิมมันจะรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะ เรามาภาวนาเราก็เห็นในทุกอย่างมันผ่านมาแล้วผ่านไปทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนะความสุขความทุกข์กุศลอะกุศลเกิดแล้วก็ดับไปจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับจิตเกิดที่ตานี่จิตไปดูดูแวบเดียวนะั้นก็ไปคิดอะไรเงี้ยไปฟังฟังแวบเดียวแล้วก็หนีไปคิดเห็นไหมคิดอยู่สักพักหนึ่งก็กลับไปดูใหม่เนี่ยเราจะเห็นเลยจิตมันก็เกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถานบอล การที่เห็นว่าสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้ดับไปเรื่อยสุดท้ายมันจะละความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้เราจะรู้ไลยตัวตนถาวรไม่มีหรอกที่จะเป็นอมตะตลอดเวลาไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคราวลแล้วมันก็ดับไปผูนะ้ใดเห็นอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันเพราะโสดาบันเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับท่านก็เลยละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนี่เราเรียกว่าสักกายทิฐิใครเคยได้ยินไหม บอกพระโสดาบันละสักยทิฐิเวลาความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ถนะ้านละความเห็นผิดได้เพราะท่านเห็นถูกท่านเห็นถูกคือท่านเห็นของจริงนะว่ามันไม่มีตัวมีตนหรอกมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเราะั้นพวกเราหัดมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันนี้แหละนะเราก็เห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปใช้เวลาไม่นานนะบางคนเดือนสองเดือนสเดือนอะไรนี่ก็สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เคยมีทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นอนยะ่างเงี้ยที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องแปลกนะพอมหาหัดเจริญสติเราจะพบว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดชั่วกว่าที่เราคิดมากเลยนะเราพบเลยว่ากิเลสของเรานี่แสนสาหัสจริงๆกิเลสเกิดตลอดเวลาเลยนะแต่พอเราเห็นอย่างนี้นะคนรอบข้างกลับรู้สึกว่าเราดีขึ้นเพราะอะไรเพราะแตก่อนกิเลสของเราเกิดตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็น เราก็ระบาดความชั่วร้ายออกไปทางกายทางวาจานะไปกระทบกระทั่งคนอื่นเขาแต่ตอนนี้เรามาหาดเจริญสติรู้ทันจิตใจของเราเองกิเลสเกิดขึ้นในจิตในใจเรารู้ทันนะเนี่ยมันก็ไม่เป็นระบาดความชั่วร้ายใส่คนอื่นเราเห็นว่ากิเลสของเราเกิดทั้งวันแต่คนอื่นนะ่ยเขารู้สึกว่าเราดีขึ้นนะเมื่อวานก็มีมาที่วัดนะมีมาหลายคู่เลยว่า ภรรยาไปภาวนาบ้างแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไปพาสามีมาสามีไปพาภรรยาลูกไปพาแม่แม่ไปพาลูกนะวัดหลวงพ่อเลยเป็นวัดระดับครอบครัวนะมากันเป็นครอบครัวนะยกมื อ, อลูกยกมือได้ขอให้แม่เอาแม่ยกให้ลูกอะไเนียนะยุ่งกันไปหมดเลยนะบางคนไม่ใช่ยกคนเดียวนะยกคนเดียวแหละ ขอให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายาให้ลูกหลานเหลหนเลยต้องถามว่าครบเจดชั่วโคตรไหมนะทำไมทําไมเข้าตามกันมานะเพราะเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นนี่แหละเป็นการประกาศธรรมะที่ดีที่สุดนะอย่างเราไปพูดเป่าวๆว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงนะพระธรรมเป็นของจริงพระสงค์มีจริงนะเราพูดเปล่าๆไปเขาไม่เชื่อหรอกถ้าเราภาวนาให้ดีเราเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นนะเขาเชื่อเองแหละนะ แล้วเราอย่าไปรีบโฆษณาชวนเชื่อธรรมะนะรีบภาวนาซะก่อนภาวนาเป็นแล้วก็ต่อไปสบายจิตใจเราก็จะสบายขึ้นสบายขึ้นคนรอบตัวเราก็จะสนใจพราะคนในบ้านเราช่วยกันภาวนาทุกคนทุกคนในบ้านภาวนานะในบ้านจะร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมานะสังคมน้อยๆของเรานี้ร่มเย็นเป็นสุขแล้วทุกวันนี้สังคมของเราแตกกระจายกระจายไปหมดแล้วนะพ่อแม่ลูกหนีไปคนละทางเนี่เดี๋ยวนี้เริ่มไปวัดด้วยกันมีกิจกรรมร่วมกันนะ ไม่ใช่ลูกก็ไปตามเพื่อนไปแม่ก็ตามวงไพ่ไปพ่อก็ตามกิ๊กไปอย่างนี้นะต่างคนต่างไปเอามาหัดภาวนาเนี่ยมันมีจุดร่วมกันนะเพราะฉนั้นพวกเราภาวนานะให้เราเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองให้ได้มันไม่ยากเท่าที่คิดหรอกนี่หลวงพ่ออยากสรุปให้ฟังนิดหนึ่งว่าการที่เราจะดูจิตดูใจตัวเองเนียนะนะเราก็บอกเราดูจิตดูจิตเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูจิตหรอกแลนะ้ชอบหลงมากกว่าถ้าเวลาจะ ดูจิตนะับางทีก็ไปเพ่งเนาะเพ่งความนิ่งความว่างบางทีก็ไปคิดเอานะที่ก็เข้าไปแทรกแซงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตการดูจิตนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลักของวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเองนะคือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะงั้นการถ้าเราจะหัดดูจิตดูใจก็คือการมีสติรู้ทันจิตใจตามที่จิตใจมันเป็นตามความเป็นจริงของจิตใจนะนี่เราจะดูตามความเป็นจริงได้เราต้องไม่เผลอไป ถ้าเราเผลอเราลืมกายลืมใจลืมเนื้อลืมตัวมัวแต่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็ดูจิตไม่ได้ถ้าเราไปนั่งเพ่งจิตให้นิ่งนะเพ่งเพ่เรื่อวยนะเราก็ดูจิตไม่ได้จริงมันกลายเป็นเพ่งจิตไม่ใช่รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่เห็นความจริงหรอกจิตมันจะนิ่งผิดความเป็นจริงเพราะงั้นถ้าจะดูจิตดูใจนะศัตรูหมายเลขหนึ่งก็คือเผลอไปลืมลืมดูจิตนั่นเองศัตรูหมายเลขสองคือไปเพ่งจิตนะ นิสหลักการดูจิตที่ถูกต้องเนี่ยจำไว้ง่ายๆนะมันต้องดูถูกต้องในสามการการกาละนะกาละกอกไกสะอาอล่อลิงต้องดูถูกต้องในสามการนะซึ่งยากมากเหมือนกันนะที่เราจะดูให้ถูกทั้งสามการการที่หนึ่งหมายถึงก่อนจะดูก่อนจะดูเนี่ยอย่าไปดักไว้อย่าไปเฝ้าดูอย่าไปจ้องเอาไว้ก่อนอย่าไปรอดูนะให้สภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นกับจิตก่อนแล้วค่อยมีสติรู้ไป เรียกว่าตามรู้นะให้มันโกรธขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโกรธให้มันโลภขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโลภให้ใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยนี่คือกฎข้อที่หนึ่งถ้าเราไปดักดูนะมันจะนิ่งทําไมเราต้องไปดักดูหลายคนพอคิดถึงการดูจิตก็จ้องปึ๊กเลยแล้วทุกอย่างก็นิ่งหมดเลยนะมันเกิดจากความอยากดูใช่หไหมตัณหามันเกิดก่อนอยากปฏิบัติอยากดูจิตพออยากดูจิตก็เข้าไปจ้องไปรอดูพอเข้าไปจ้องไปรอดูมันคือการเพ่ง เนะมื่อไรเพง่งวันนั้นจิตก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์ไม่แสดงความจริงให้ดูฉะนั้นกฎข้อที่หนึ่งนะให้สภาวะธรรมเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมีสติตามรู้ไปตามรู้อย่างกระชันชิดอย่าไปดักรอดูด้วยความโลภที่อยากปฏิบัติ น, ะนี่ข้อที่หนึ่งอย่าดักดูพวกเรามีคนไหนดักดูไหมเวลาดูจิตเอาช่วยยกมือโชว์ตัวหนพวกดักดูดักทุกคนแหละ ไอ้พวกที่ไม่ยก็ดูไม่ออกนะหรือไม่ก็ขี้เกียจยกนะส่วนใหญ่พอคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มกวานคานก่อนเห็น ไ, ไหมเริ่มจะดูอะไรดีควานควานควานเงี้ยคนควา้าเจออันนี้แล้วว่าจ้องอย่าเงี้ยจ้องใจก็จะนิ่งๆกลายเป็นเพ่งจิตไม่ใช่ดูจิตแล้วนั่นจะไม่เพ่งจิตเนี่ยนะนะอันแรกเลยอย่าไปดักดูให้สภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้กาละที่สองหรือลำดับที่สองคือขณะที่ดู ก่อนดูไม่ไปดักดูขณะดูอย่าถลํมลงไปจ้องนะดูแบบคนวงนอกนี่เป็นกฎข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งดูแบบคนวงนอกนะส่วนใหญ่พอเราเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วมันจะมีตัณหาตัณหาก็คืออยากรู้ให้ชัดพออยากรู้ให้ชัดนั่นจะถลํมลงไปจ้องนะคล้ายๆเราดูใครก่อนนี่ใครเคยดูหนังจีนไหมหนังจีนสมัยก่อนนะกลังภายในเจ้ายุทธภพอะไรอย่างนี้ มันชอบมีบอ่อน้ำกลมๆอะ่นะเคยเคยเห็นไหมที่มีขอบปูนนะแล้วผู้ร้ายเนี่ยมันชอบจับเอานางเอกไปโยนลงบอ่อนอะไรเงี้ยบางทีก็เอาคัมภีร์ไปโยนลงบอ่อคล้ายๆกันนะเวลาเราจะดูของที่อยู่ก้นบ่อเนี่ยเราชะโงกลงไปดูจนหัวทิ่มลงบ่อไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราต้องดูอยู่ห่างๆดูอยู่ปากบอ่ออย่าถลํมลงไปจนตกบอ่อพวกเราเวลาที่ดูจิตดูใจเนี่ยเราอยากดูให้ชัด ชะโงกลงไปชะโงคลงไปในที่สุดจิตมันถลําลงไปเพ่งกลายเป็นเพ่งอีกแล้วเห็นไหมอยากดูไปดักดูนะก็กลายเป็นการเพ่งพอกําลังดูอยู่อยากดูให้ชัดถลําลงไปจ้องอีกนะก็กลายเป็นการเพ่งนะกลายเป็นเพ่งทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นกฎข้อที่หนึ่งนะก่อนจะรู้เนี่ยอย่าไปดักรู้ให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้เอาให้มันโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธโลคขึ้นมาแล้วรู้ว่าโลคใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอย สภาวะที่ es, <S 2องขณะที่เห็นสภาวะเกิดขึ้นขณะที่เห็นสภาวะเกิดขึ้นเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นดูอยู่ห่างๆอย่าถลําตามความโกรธไปอย่าไปจ้องใส่มันหลวงพ่อเคยทําผิดนะเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมาแล้วเราจ้องเราจ้องแล้วมันหดลงไปหดลึกๆลึกๆลงไปอยู่ข้างในนะเราก็ตามลงไปกะว่าวันนี้จะตามถึงไหนถึงกันนะตามลงไปลึกลงไปกวานหามันใหญ่เล บุญนักหนานะไปเจอหลวงปู่สิมเข้าหลวงปู่สิมท่านเตือนบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่มาที่แท้ตกบ่อไปแล้วไม่เห็นนะตกบ่อพอนะรู้ทันอ๋อใจมันถอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นสภาวะผ่านไปผ่านมาคล้ายๆเราเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านใจเราอยู่ต่างหากใจเราอยู่ในบ้านใจเราไม่วิ่งตามเขาไปนะถ้าใจเราหลงตามอารมณ์ไปหลงตามสภาวะไปนะั้นมันจะรู้ได้ไม่ชัดหรอกข้อที่สามนะ ข้อที่สามคือเมื่อรู้แล้วอันแรกก่อนจะรู้อย่าไปดักไว้อันที่สองระหว่างรู้อย่าถล่มลงไปจ้องอันที่สามเมื่อรู้แล้วนะรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปหลงยินดียินร้ายกับมันถ้าหลงยินดีหลงยินร้ายเนี่ยจิตจะเข้าไปแทรกแสงเช่นเห็นความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ยินดีนะก็จะเผลอเพลินไปหรืออยากให้ความสุขอยู่นานๆพอความทุกข์เกิดขึ้นก็เกลียดมันอยากให้มันหายเร็วๆนะ เนี่ยใจที่มันไม่เป็นกลางมันจะทำให้จิตเกิดความดิ้นรนเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่เป็นกลางนะให้มีสติรู้ทันมีสติรู้ไปมันยินดีขึ้นมาก็รู้ทันมันยินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันในที่สุดใจจะเป็นกลางรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางนะนี่คือกฎข้อที่สคือรู้แล้วไม่แทรกแซงมันสุขก็ได้มันทุกข์ก็ได้มันดีก็ได้มันชั่วก็ได้มันสว่างก็ได้มันมืดก็ได้มันหยาบก็ได้มันละเอียดก็ได้ สภาวะทั้งหลายนั้นเสมอภาคกันในการทำมิปัสนาเพราะสภาวะทั้งหลายไม่ว่าจะสุขทุกข์ดีชั่วยาละเอียดนะก็ล้วนแสดงใจรักเกิดระดับเหมือนๆกันทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าจะเอาอันหนึ่งจะเกลียดอีกอันหนึ่งนะใจของเราเนี่ยพอเห็นอะไรเขาแล้วนะมันจะรักอันหนึ่งจะเกลียดอันหนึ่งอยู่เสมอแหละเช่นรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วนะรักความสงบเกลียดความฟุ้งซ่านเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางนะ อาจารณานันวัดมาดจำนะท่านก็สอนมาท่านบอกหลวงพ่อชาสอนมาว่าเวลาดูจิตเนี่ยให้ดูด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่หลวงพ่อชาสอนมาอย่างนี้นะหลักอันเดียวกันครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ที่ท่านภาวนาเก่งๆนี่ท่านสอนเหมือนกันหมดเลยหลวงพุธุนก็สอนอย่างเดียวกันนะองค์ไหนองค์ไหนก็สอนอย่างเดียวกันรู้ด้วยความเป็นกลางหลวงปู่เทศใช้สำเนาบอกรู้ด้วยความเป็นกลางนะหลวงพ่อชาบอกรู้ด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะ บางองค์ก็ว่ารู้แล้วสักว่ารู้นะรู้แล้วไม่แทรกแซงก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่สำนวนอาจารย์สุรวัตรนะจิตเป็นยังไงรู้วเป็นอย่างนั้นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใครไม่รู้จักอาจารย์สุรวัตรพยายามรู้จักไว้นะเพราะแกเป็นกลยานามิดเนี่ยต้องน่วมแน่ๆเลยรอบเนี้ยใครฟุ้งซ่านยกมือหน่อยเห็นไหม มีผู้ไร้ปากแข็งหลายค น, นฟุ้งทางนั้นแหละจําได้ไม้มข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยมันผิดพลาดตรงที่อยากปฏิบัติอยากปฏิบัติก็เลยไปจ้องรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เลยไม่มีอะไรนอกจากความนิ่งความว่างข้อที่สองนะอยากรู้ให้ชัดก็เลยถลําลงไปจ้องไปเพ่งเอาไว้ยิ่งไม่ให้คลาดสายตาเนี่ยมันก็นิ่งเหมือนกันกลายเป็นการเพ่ง ข้อที่สามนะอยากดีนะอยากให้พ้นทุกข์อยากดนะีอยากให้สุขอยากให้สงบอยากให้พ้นจากความฟุ้งซ่านก็เข้าไปแทรกแซงนะนั้นเลยก็ไม่เป็นกลางนั้นสรุปง่ายๆนะต่อไปนี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้มันอย่างที่มันเป็นรู้แล้วก็อย่าเข้าไปแทรกแซงนะรู้สบายๆรู้อยู่ห่างๆรู้แบบคนวงนอกรู้ด้วยความเป็นกลางหนะรู้อย่างนี้เรื่อยๆพวกเรานะสำรวจใจตัวเองให้ดี ในสามข้อเนี้พวกเราผิดตัวไหนบ้างหนะลวงพ่อถามที่วัดมาแล้วนะคาถามเนี้ใครยกมือถามหลวงพ่อหลวงพ่อถามเลยในสามข้อเนี้ผิดข้อไหนพอตอบได้นะไม่ต้องมาถามหลวงพ่อรู้แล้วนีนะ่ถ้ารู้ว่าผิดนะมันก็ถูกของมันเองแหลนะพอเข้าใจไหมไม่ยากนะง่ายง่ายสุดๆเลยถ้าอยากให้มันปฏิบัติ ด, ดีๆแล้วก็ดิ้นรนมากๆทําผิดนะ ให้มีสติตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปนะความเป็นจริงของเขาคือไตรลักษณ์ผู้ใดเห็นไตรลักษณ์นะผู้นั้นก็จะมีปัญญาจิตจะค่อยๆ ค, ค, คลายความยึดถือกายยึดถือใจอยู่ๆเนี่ยเราจะไปบอกให้มันไม่ยึดถือมันไม่เชื่อนะพวกเราลองสั่งซิอา้าวจิตเอ๋ยจงหมดความยึดถือกายจงหมดความยึดถือใจไม่เชื่อหรอกนะทําไงก็ไม่เชื่อทําไมเขายึดถือเพราะเขาเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษ นะถ้าเรามามีสติรู้ลงที่กายที่ใจเราเห็นเลยมันมีแต่ทุกข์กายนี้มีแต่ทุกข์ใจนี้มีแต่ทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปแล้วนะถ้าเห็นอย่างนี้นะจ้างให้ยึดถือมันยังไม่ยึดเลยเพราะมันยึดทุกข์มันจะไปยึดทำไมเหมือนเราเห็นฐานไฟแดงๆติดไฟแดงๆดูสวยดีนะอยากหยิบไปหยิบเข้ามาทีหนึ่งนะมันร้อนมันเผามือเอานะมือพองต่อไปเรียกให้หยิบมันก็ไม่หยิบแล้ว สติปัญญานี่มันก็เกิดแบบเดียวกันแหละมันเห็นในความเป็นจริงของกายของใจว่าเป็นทุกข์เป็นโทษนะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เป็นโทษมันก็ไม่หยิบขึ้นมาพอไม่หยิบขึ้นมาเนะี่ยมันก็สบายนะใจก็หมดภาระใจมีความสุขภาวนาแล้วสิ่งที่พวกเราจะได้นะเราจะมีความสุขมากที่สุดเลยความสุขที่นึกไม่ถึงเลยความสุขที่เหมือนกับาธาตุขันของมนุษย์จะทนไม่ไหวใครเคยได้ยินทุกข์แล้วตายอันนี้ปกติเลยใช่ไหม ทุกคนวันหนึ่งต้องเจอความทุกข์จนตายเชื่อไหมมันมีความสุขที่ปางตายเหมือนกันนะถ้าไม่เชื่อนะภาวนาเขา้านะวันใดเป็นพระอรหันนะจะรู้จากความสุขที่ปางตายรู้เลยธาตุขันมนุษย์นะั้นแทบจะรองรับความสุขชนิดนี้ไม่ไหวนะพวกเราค่อยฝึกเอานะพวกเรามีบุญเต็มที่แล้วเราได้เป็นชาวพุทธได้ฟังธรรมะได้สนใจปฏิบัติ คนไหนเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะก็วางมันซะก่อนนะแล้วมาหัดมีสติรู้กายรู้ใจดูกายทํางานดูใจทํางานลองดูไปอย่างซื่อซื่อดูไปซื่อซื่อนี่หลวงพ่อเตียนบอกดูซื่อซื่อก็คือดูเราไม่แทกแสงเหมือนกันนะดูซื่อซื่อดูสบายสบายเนี่ยครูบาอาจารย์ทุกองสอนเหมือนกันแหละแต่สัมนวนไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะพอเรารู้ซื่อซื่อเห็นกายเห็นใจทํางานไปเรื่อยถึงวันหนึ่งปัญญาก็เกิดนะมีแต่อานิจจังทุก ข, ขังอนัตตานะีมีแต่ทุกข์นะ บางคนเห็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังบางคนเห็นทุกข์เพเป็นทุกขังบางคนเห็นทุกข์มันเป็นอนัตตานะรงความแล้วก็คือเห็นทุกข์นั่นเองอะได้ครึ่งชั่วโมงพอสมควรเทศมาก ก, าก็ไม่ดีนะภาวนาให้มากนะภาวนาให้เยอะๆไม่มีอะไรจะดีเท่าภาวนาหลวงพ่อก็ไม่รู้จะทําไงให้พวกเราภาวนามากๆนะต้องทําเอาเองอะ่ะ ได้แต่เชียนะได้แต่บอกวิธีการให้บอกวิธีให้แล้วก็พยายามเชียทุกวันนะเชียจนแก่แล้วตอนนี้ชักเชียไปเชียไปชักหอบแล้วนะบางทีหลวงพ่อแต่ก่อนไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็เชียเหมือนกันนะเชียอย่างหลวงปู่ดูล น, นะมันส่งกันบ้านนะท่านก็หืมหืมหืมนี่อย่างนี้น ะ, ะสาใจมากเลยนะหืม <c oughs> อย่างนี้นะหลวงปู่เทศนะท่านเป็นคนนุ่มนวลท่านไม่อย่างนี้ะท่านอืมืมอย่างนี้นะ น, นุ่มนวล ถามเราไปเรื่อยเราส่งไปเรื่อยพอหมดที่เราปฏิบัติเท่านี้หรอได้เท่านี้หรอเสียดายยังยังน้อยไปหน่อย น, นะครูบาอาจารย์นะแต่ละองค์นะเวลาไปหาท่านบางทีท่านเชียบคือท่านรุ่นมากเลยองค์สุดท้ายพรรษาแรกหลวงพ่อบวชพรรษาแรกนะไปกลับออกพรรษาแล้วไปกลับหลวงปู่สวัสดิ์ส่งกันบ้านท่านไปกลับท่านบอกหลวงปู่ หลวงปู่สอนผมให้ดูจิตดูใจนะผมก็ดูจิตนะดูตัวผู้รู้ผู้ตื่นนี่แหละท่านกําลังเบลอมากเลยเพราะท่านใกล้มรณะภาพแนละ้วอีกไม่นานจะมรณภาพแล้วนะนะโดนยาด๊เพ่าไปจนเบลอเต็มที่แล้วใส่รถเข็นออกมาแนละ้วท่านนั่งมาอย่างเงี้ยนะเราไปกราบท่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่พอหลวงปู่ผมดูจิตตัวเองอยู่นะท่านลืมตาเลยนะแล้วผมก็วางจิตลงไปเฮ<ะ>้ยนี่ท่านอย่างนี้เลยนะ จิตท่านให้ตื่นตัวเต็มที่เลยแล้วผมก็หยิบมันขึ้นมาอีกอแล้วก็บ่นัถเนี้หยิบมันํำไมนะครูบาอาจารย์นะจริงๆไม่ได้หวังอะไรจากเราหรอกนะอยากให้พวกเราภาวนาเพื่อความพน้นทุกข์ของเราเองเมื่อเราภาวนาจิตใจเราเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้นนะเรานี่แหละจะเป็นผู้ประกาศธรรมะต่อไปนะอย่างน้อยที่หลวงพ่อบอกนะพอเราเปลี่ยนแปลงแล้วคนในบ้านเราก็จะตามมา คนในที่ทำงานก็จะตามมาดีกว่าโฆษณาอีกนะดีกว่าโฆษณาเปล่ปาๆมาปฏิบัติธรามดีอย่างนั้นธรรมะดีอย่างนี้เนะข้าฟังแล้วเขาไม่เชื่อหรอกเขาให้คนที่ประกาศก็เชื่อไม่ไดนะ้แล้วเราเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนนะคุณตัดฝึกฝนตัวเองดีแล้วนะค่อยฝึกคนอื่นเข้ามาเองแนหะฝึกตัวเองไห้นะชวนถามการนัดสการกับหลวงพ่อ ผมลองดูจิตมาได้ประมาณสักสองเดือนแล้วครับแต่เหมือนกับว่าดูชัดบ้างไม่ชัดบ้างครับอยากให้ชัดไหมบางครั้งมันก็อยากเอออยากรู้ว่าอยากทำไมมันชัดบ้างไม่ชัดบ้างบางทีก็สติเกิดบางทีสติไม่เกิดสั่งสติให้เกิดได้ไหมสั่งไม่ได้งั้นชัดขึ้นมานะจิตหลงยินดีให้รู้ทันดูไปแล้วไม่ชัดมัวมั ว, มวเลยงง ง, งรู้ว่างงอยากให้ชัดรู้ว่าอยาก เพราะฉั้นจะชัดหรือจะไม่ชัดไม่สําคัญหรอกเห็นสภาวะที่ชัดเจนก็รู้ทันจิตนะเช่นจิตยินดีรู้ทันสภาวะไม่ชัดเจนเกิดขึ้นจิตยินร้ายให้รู้ทันเราสําคัญที่เรารู้ทันสภาวะความยินดีจิตร้ายที่เกิดขึ้นในจิตต่างหาไม่ใช่สําคัญว่าสภาวะอะไรสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นไม่ชัดก็ชั่วคราวไม่ชัดก็ชั่วคราวนึกออกไหมครับยิ่งอยากให้ชัดยิ่งไม่ชัดหรอกเพราะอยากให้ชัดนั่นแหละจิตมีกิเลส จิตมีกิเลสแล้วมันจะชัดเข้าไปได้อย่างไงแต่ไม่แน่ใจว่าบางครั้งว่ามันรู้จริงๆหรือว่ามันคิดไปเองครับมันรู้บ้างคิดบ้างเพ่งบ้างนะยังมีทั้งสามอย่างครับถ้าเมื่อไห ร, ร่รู้เนี่ยใจจะรู้ใจจะตื่นใจจะเบิกบานจะสบายปร่งเบาถ้าเมื่อไหร่ไปเพ่งไว้ในะใจก็หนักก็แน่นก็ซึมก็ทื่อถ้าไปคิดอยู่ในะใจก็ฟุ้งซ่านนะไปสังเกตใจเอานะครับขอบคุณครับเนี่ยใจหลงไปรู้สึกไหม ออตอนไหว้หลวงพ่อเราหลงเลยเห็นไหมจกนกระทั่งส่งไม้เราก็ยังหลงอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวพอรู้สึกนะแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมนะกับนะมรดการหลวงพ่อจ้าค่ะลูกตามรู้ตามดูมาประมาณเกือบปีค่ะหลวงพ่อก็เห็นจิตทํางานโดยเฉพาะเออตอนใกล้ตื่นนอนปกติโยมจะเป็นคนนอนดึกมากตอนเช้ามืดเนี่ยโยมต้องตื่นแต่เช้า ก่อนจะตื่นนายโยมจะเห็นร่างกายพักผ่อนแต่เห็นจิตมันทํางานเร็วมากค่ะจิตไปคิดมากมายาแต่ว่าค่ะแต่ว่าพอโยมตื่นมาเนี่ยโยมจะไม่รู้สึกเพลียเหมือนเมื่อก่อนเลยก็รู้สึกว่าสดชื่นว่าเออร่างกายได้พักผ่อนแม้แต่จิตจะทํางานมากมายคิดในเรื่องมากมายคือจิตเนี่ยมันนอนใช้เวลาสั้นกว่ากายร่างกายนะมันเป็นของหยาก เวลาต้องการพักผ่อนเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่จิตเนี่ยใช้เวลาพักผ่อนไม่นานนะเราหัดเจริญสติไปคนทั่วไปนะมันหลับไปไม่นานก็ฝันแลเนะี่ยจิตมันเริ่มทํางานแนละ้วจิตมันพักผ่อนแล้วเริ่มฟุง้งแล้วนะทีนี้เราหัดภาวนานเนี่ยพอจิตมันเริ่มทํางานเรามีสติรู้ไปเรื่อยนะร่างกายก็ยังนอนอยู่บางทียังหลับอยู่เลยร่างกายกลนอยู่เลยนะ <c oughs> ลองดูสั่งให้พลิกซ้ายพลิกขวามันไม่พริกหรอกนะสั่งงานมันไม่ได้เลยแต่จิตเนี่ยมันทํางานเราค่อยมีสติดูไป แต่ที่เราฝึกนะจิตใจเราสงบสุขมีสติตามรู้ ก, กายรู้ใจไปได้วยถึงพักน้อยก็เหมือนพักมาก<ช>นะหลวงพ่อเจ้าค้ะแต่ว่าเวลาลูกตามรู้สึกไหมตอนหลวงพ่อเจ้าค้าน้อมใจให้อ่อนๆให้ดูดีให้รู้ทันมันะนะออคือเวลาโยมจะดูอารมณ์เนะคะเว<ะ>ลาอารมณ์กโกรธโทสะค่ะหลวงพ่อพอเรารู้ว่าเรามีโทสะเนี่ยมันทำไมไม่ขาดปุ๊บอะไรเงี้ยน ะ, ะใช่ไม่เป็นกลาง <orian. S 1> นะเห็นโทสะเราก็เกลียดมันอยากให้มันหายตรงที่เราเกลียดโทสะนี่แหละเรากําลังเกิดโทสะอีกการห น, นึ่งแล้วเหมือนไฟกําลังไหม้อยู่เราก็หาไฟมาเพิ่มอีกหาฟืนมาใส่แล้วเราควรจะทํายังไงเจ้าค่ะพื่รู้ด้วยความเป็นกลางจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะนะมันจะเราภาวนาไม่ใช่เพื่อให้มันไม่มีโทสะแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ ร, รู้สึกไหมบังคับไม่ได้ หลวงพ่อเจคาแล้วคืออยากอยจะเรียนถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งว่าประิญมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้วแล้วก็ทํางานอยู่กับคนไข้เนี่ยก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาสมมติถ้าเรามีเวลาเหลือน้อยมากก่อนจะสิ้นลมเนี่ยเราจะสอนเขาให้ตามรู้ตามดูลมหายใจได้ไหมเจคานเอาซีดีหลวงพ่อไปเปิดให้เขาฟังได้ยินบ่อยๆนะเดี๋ยวขเขอภาวนาเป็นเองแหละ คือคือหมายถึงเราจะตามลมหายใจว่ารู้สึกว่ามีลมผ่านเข้าออกทางรูจมูกนี้จ ะ, จจะเราจะพน้นราคะเราจะพน้นควหมยุ่งยากอาานาปานสติเป็นกรรมาฐานที่ทํายาก <Okay. S 3> เป็นกรรมาฐานที่ละเอียดมากเลยเรารู้ลมสักพักหนึ่งเนี้ยสติเราอ่อนน ะ, น ะ, ะจิตมันจะไหลไปเกาะแล้วไปเพลินที่ลมถ้าอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าหายใจไปรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆดีไม่เหมือนกันนะหายใจแล้วเคลิอม กัหายใจแล้วเห็นว่าร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูยไม่เหมือนกันกับนมัสฌังพยายามาให้มีสติเรามีสติจิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูน้าเชิญกาบสมัชฌางหลวงพ่อครับก็ฟังสิดีหลวงพ่อมานานพอสมควรนะครับก็ปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับเริ่มเห็นกิเลสแล้วนะใช้ได้ กิเลสเกิดขึ้นแล้วก็คอยรู้เอารู้ารู้จักใจลอยยังรู้จักไหมจับใจลอยคือใจมันแอบไปคิดนะใจมันเหม่อไปคิดมันหนีไปคิดไประยะระยะนะของคุณมันเป็นคนช่างคิดเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันใจที่ไหลไปคิดได้เนี่ยจะเห็นเด็กเมื่อกี้ไหลไปคิดแล้วะมันไหลแแบบเวลาที่จิตไหลไปคิดนะมันจะลืมกายลืมใจตัวเองตอนนี้ไหลไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเวลามันหลงไปคิดนะมันไปรู้เรื่องที่คิดแต่ว่ามันลืมกายลืมใจตัวเอง การบ้านที่ให้คุณนะต่อไปนี้จิตไหลไปคิดให้รู้ว่ามันหลงไปคิดแล้วนะมีคําว่าแล้วด้วยนะไม่ห้ามอย่าไปจ้องไว้ก่อนนะเนะี่ยตอนนี้มันหลงไปคิดอีกแล้วทราบไหมถ้ายัางดูไ ม, ไม่ชัดนะดูร่างกายไปแล้วต่อไปก็ดูอารมณ์ต่างๆเช่นความกโกรธอะไรอย่างนี้มันจะดูง่ายนะต่อไปมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วมันจะเห็นความหลงความหลงนี่คือจิตมันหลงไปคิดนั่นแหละหลงบ่อยที่สุด นั้นดูเป็นลำดับลาดับไปเห็นใจที่โกรธไหมตอนนี้ดูออกไหมเวลาโกรธรู้จักไหมดูไม่ค่อยออกครับหลวงพ่อดูไม่ออกถ้าดูจิตไม่ออกดูกายดูกายก็ใช้ได้เห็นไหมร่างกายมันพนมมืออยู่นะเห็นไหมร่างกายไปยักหน้าทำตัวเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปเหมือนเราเห็นร่างกายของคนอื่นดูอย่างนี้นะดูไปร่างกายนี้เคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นเห็นคนอื่น ใจเราอยู่ตังหะอยาให้ใจไหลลงไปอย่างนั้นใจถอยขึ้นมารู้สบสบายเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจอยู่ตังหะค่อยๆฝึกนะอ่ะต่อไปเห็น <He ard S 2> ไหมตอนส่งไม้ใจมันไหลไปหลอกไหมใจไหลไปกับไม้เมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไหมใจเริ่มตื่นขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้พยักหน้านะใจก็เริ่มตื่นรู้ว่าเมื่อกี้หลงนะใจก็เริ่มตื่น เป็นการตามรู้ถ้าตามรู้กายก็เกิดสติตามรู้เวทนาก็เกิดสติตามรู้จิตก็เกิดสติพอมีสติแล้วเนี่ยเราเห็นกายในปัจจุบันกายที่กําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนไม่ใช่ตัวเราแต่จิตนี่เราก็ใช้วิธีตามรู้ไปเรื่อยๆอย่ตอนนี้จิตแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมนี่คุณเริ่มมองเห็นแล้วคุณรู้จักกายก่อนนะแล้วคุณจะเห็นจิตได้ชัดเนี่ยลงไปคิดแล้วแล้วก็เริ่มเพ่งแล้วรู้สึกไหมอย่าเพ่ง ออนอำมาส ก, การค่ะหลวงพ่อก็หนูก็จริงๆปฏิบัติมาตั้งแต่อายุน้อยน้อยแล้วค่ะแต่หนูก็พุโทโธประมาณอายุสิบขวบแล้วก็หนูก็หยุดไปด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรแล้วก็มาช่วงปีนี้ค่ะที่หนูมาปฏิบัติธรรมอย่างเป็นเหมือนเป็นกิจวัตรนะคะแล้วก็ทำตามรูปแบบมาประมาณแปดเดือนเนาะค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งมา ศึกษาธรรมะของหลวงพ่อประมาณหนึ่งเดือนอืซึ่งหนูก็จะปฏิบัติทุกวันก็คือสวดมนต์จากนั้นก็นั่งสมาธิอทุกวันนะคะแต่หนูยังเห็นค่ะนั่นแหละดีอแต่หนูไม่ทราบว่าสิ่งที่หนูทําอยู่อะค่ะถูกต้องหรือเปล่าเริ่มใช้ได้แล้วคุณสวดมนต์ไปนะคุณนั่งสมาธิไปแล้วรู้ทันจิตไปไม่ใช่สวดให้นิ่งนะไม่ใช่สวดเอาเคลิ้มแต่สวดให้รู้ทันจิตไปด้วย พุทโธพุทโธก็ได้พุทโธก็คือคําสวมดมนต์เหมือนกันแต่สวดสั้นหน่อยสวดพุทโธพุทโธในชีวิตประจำวันเงี้ยแล้วก็รู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตแอบไปคิดเนี่ยตอนนี้จิตหนีไปคิดละใช่ค่ะแล้วก็ใครรู้ไปด้วยถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะจิตนีหนีไปคิดได้เองนะจิตไม่ใช่เราหรอกอย่าตอนเนี้ยจิตสงสยัยทราบไหมเห็น<า>ไหมมันสงสัยขึ้นมาได้เองคเ น, นี่ยดูไปอย่างนี้แหละอืย หลวงพ่อคะแล้วอย่างนี้แสดงว่าจิตหนูพอที่จะตื่นขึ้นมาแล้วยังคะถ้ารู้ทันสภาวะสดๆร้อนๆนะก็ตื่นไม่ยากอะไรตื่นได้ก็หลับได้ <c oughs> แล้วพอดีเวลาช่วงสองสามอาทิตย์นี้พอหนูนั่งสมาธิแล้วหนูรู้สึกเจ็บตรงนี้มากเลยอะนั่งบังคับตัวเองนี่นคือการที่เรากดตัวเองเ<ร>ล ง, งใช่ไหมค ะ, <น>ะเรานั่งรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งบังคับตัวเองนั่งรู้สึกตัวไปนั่งแล้วเห็นร่างกายหายใจนั่งแล้วเห็นจิตไปคิดอะไรเงี้ย <c oughs> นะอย่าไปกดไป ลองนั่งสิเนี่ยนั่งอย่างนี้แหละนั่งเพ่งถอยขึ้นมารู้สึกไ้จิตไหลเข้าไปข้างในไม่เอาลืมตาซะรืมตาหายใจแรงๆจริงรู้สึกไหมจิตมันติดโมหะออกมาด้วยแล้วไปนั่งแล้วเกิดโมหะไปนั่งทำไมยไปนั่งนั่งรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งให้มีโมหามากขึ้นนั่งลองนั่งแล้วก็รู้สึกตัวนั่งรืมตาไม่ใช่นั่งน้อมจิตให้นิ่ง เมื่อกี้พอนั่งฟุบก็น้อมจิตเข้าไปข้างในะไม่ใช่นั่งน้อมจิตแต่นั่งรู้ทันจิตไปเปลี่ยนตรงนี้ซะคหนูก็ลองฝึกแบบลืมตาดูค่ะเมื่ อ, อวันสองวันนี้ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นนัไปฝึกอย่างนั้นน่ะอฝึกให้มันรู้สึกตัวนะไม่ใช่ฝึกให้ขาดสติไม่งั้นพอออกจากสมาธิโมหะมันติดออกมาด้วยเมื่อกี้รู้สึกไหมโมหะมันติดออกมาด้วยไม่ดีอ่ะคนต่อไป กราบน้ำมัสการค่ะดิฉันฟังซีดีของของของพระคุณเจ้ามาประมาณปีหนึ่งนะคะก็พยายามดูดูกายดูจิตแล้วก็ก่อนนอนก็สวดมนต์บ้างแล้วก็เดินจงกรมบ้านะคะโยมดูออกไหมจิตเราเบาขึ้ น, นดูออกคะ่นะจิตที่หนักๆนักแน่นแนนแข็งแข็งอย่างต่กอนนะันเป็นจิตที่บังคับจิตที่เพ่งไม่เดียว จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบามันจะอ่อนโยนนุ <S <s ่มนวลว้องไหวไม่ซึมไม่ถื่ไม่หนักไม่แน่นนะค่ะงั้นโยมคอยรู้สึกไปคอยฝึกของเราไปด้วยแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้ของโยมโทสะมันจะเกิดง่ายนะไปดูตัวนี้เกิดง่ายดูง่ายดูออกไหมเป็นคนขี้โมโหนั่นแหละภาวนาไปคนขี้โมโหนะบุญนะเพราะโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดเลย ใจโกรธขึ้นมาก็รู้ใจโกรธขึ้นมาก็รู้แรกๆก็ต้องโกรธแรงก่อนถึงจะเห็นต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นนะจะเก่งขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ฝึกให้หายโกรธนะแต่ฝึกให้เห็นว่าเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็รู้จิตโกรธไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงฝึกให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่ฝึกให้มันไม่โกรธต่อไป ปฏิบัติในระหว่างทางานเจ้าค่ะยังรู้สึกว่ายังมีการภาคแล้วก็มีปัญญ า, มาไม่ได้ามไม่ได้นะภ า, ะา่ะปัญญานำหรือคิดนำคิดด้วยเจ้าค่ะถ้าคิดนำไม่เรียกว่าปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาถึงใช้<า>ได้ปัญญาที่จะเกิดจากการคิดเนี่ยยังใช้ไม่ได้จริงแล้วไม่ทราบยังตอนนี้ ป, ญญประคองใจให้ อ่อนๆไว้ดูออกไหมดูออกก็ได<อ>ไปแกล้งประคองไว้อย่าไปประคองให้มันเป็นธรรมชาตินะที่ฝึกอยู่นะพอใช้ได้แล้วแต่จิตมันแรงน้อยไปนิดนึงทำในรูปแบบบ้างทุกวันไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตจะได้มีกำลังขึ้นมาจ่ า, า, า, าค่ะกลับไปกับนรรมการค่ะหลวงพ่อคื อ, อ, อหนูเพิ่งฝึกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็ รู้สึกว่าตัวเองมีความจงใจแล้วก็ภาคเป็นประจำะค่ะภาไม่ได้บางทีพอภาคสัง เ, เกนไหมพอมันภาคแล้วใจเราไม่ชอบ<ฮ>ะนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบเห็นั้ใจไม่เป็นกลางสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะเช่น <ฮะ S 2> จิตมันอยากภาคจิตมันภาคของมันเองไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจเราเกิดโทสะใจเราไม่ชอบอให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนี่ นะต่อไปเราจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายค่ะนะแล้วบางทีพอหนูภาคหนูก็เริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองนี่ตื่นหรือแค่ภาคเราคิดเอาอย่างเงี้ยค่ะให้รู้ทันว่ากําลังสงสัยอยู่<อ>ถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะลงปัจจุบันเมื่อ น, นั้นจะตื่นขึ้นมาอเมนะค่อไหร่หลงไปเมืม่อนั้นก็หลับใหม่อืมค่ะแล้วเรื่องที่หนูไม่จงใจอ่ะค่ะไม่เป็นไร เบื้องต้นต้องจงใจไว้หน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็รู้ทันว่าจงใจต่อไปมันค่อยๆ ค, ค, คลายออกเบื้องต้นจะไม่ให้จงใจเลยจะไม่ได้มันจะขี้เกียจอ๋อ <นะ S 2> ค่ะแล้วหนูอยากจะข อ, อการบ้านของพระอาจารย์นะคะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะอยู่ที่ความต่อเนื่องน ะ, ะอยู่ที่ชั่วโมงบินแล้วละ่ะไปฝึกไปเรื่อยแล้วต่อไปชีวิตเรามีอะไรเกิดขึ้นเราสู้ได้น ะ, ะภาวนาจะได้มีเกราะป้องกันความทุกข์ในอนาคตต้องสู้ค่ะ แสดงว่าหนูขี้เกียจเกินไปหรือเปล่าคะจำนองนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือต้องแบบต้องทำกรรมฐานแบบนั่งสมาธิทุกวนัน <c oughs> อะไรอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> ทําบ้างนะไม่ใช่ว่าทํานานแล้วก็เคลิมที่สําคัญก็คือพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันให้มากมากนะ <c oughs> ยิ่งแต่วันหนึ่งอาไว้พระสวดมนต์สักครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นใจไหลแฉลบซ้ายแฉล็บขวาไปคอยรู้ทันมันเป็นการซ้อมที่จะรู้ทันจิตนั่นแหละเพราเรารู้ทันจิตได้ชํานานซ้อมบ่อยๆ เรามาอยู่ในชีวิตประจำวันนี้สติมันก็จะเกิดบ่อยนะข อ, ขอบพระคุณค่ะไม่เร็วหรอกนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นรมาส ก, กัณหลวงพ่อค่ะ อ, อ, อยากขอกันบ้านที่เหมาะกับตัวหนูอะค่ะเราเป็นคนฟุง้งซ่านนะให้ให้นึกบริกรรมอะไรไว้สานหนึ่งก็ได้หรือจะหายใจก็ได้นะหรือจะรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ได้รู้แล้วก็คอยรู้ทันจิตไป คือ ท, ทำกรรมาฐานมาสักอันใหญ่ตอนนี้ความสงสัยผุดขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใจมันสงสัยเห็นร่างกายที่สายหน้าไหมนนเมื่อกี้สายหน้ารู้สึกไหมรู้สึกค่ะแต่อันนี้ก็เป็นอันที่ไม่แน่ใจเพราะเคยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วบอกว่ามีคนถามเขาบอกเขากินข้าวเขาก็รู้ว่าเขากินข้าวหลวงพ่อบอกว่าอย่างนั้นไม่เรียกว่ารู้เอ้ยกินข้าวแล้วก็รู้ว่ากินข้าวใครๆมันก็รู้ไม่ต้องภาวนาก็รู้ <c oughs> ใช่ไหมแต่ถ้ากินข้าวแล้วเห็นร่างกายมันกินข้าวใจเราเป็นแค่คนดูนะ เหมือนเห็นคนอื่นกินข้าวเหมือนเห็นหมาเห็นแมวกินข้าวนนะใจเราอยู่ต่างหากไม่ใช่เรากินข้าวนะเห็นร่างกายมันกินข้าวไม่ใช่เห็นเรากินข้าวเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะการ<น>เห็นกายแบบนั้นต้องต้องเป็นคนที่ทำสมาธิมาก่อนหรือเปล่าคะพ่อหนุมถ้ามีสมาธิถึงจะเห็นชัดนะของคุณนะมันคิดมากดูจิตไปดูความรู้สึกของตัวเองไป แต่เวลาดูอ่ะในกฎสามข้อนั้นนะก่อนดูอยากดูแล้วไปจ้องไว้หรือเปล่าระหว่างดูนะอยากรู้ให้ชัดแล้วถถลําลงไปเพ่งหรือเปล่ารู้แล้วเป็นกลางไหมหรือรู้แล้วแทรกแซงนะไปสอบตัวเองด้วยสามข้อนี้แหละค่ะ ข, ขอบคุณค่ะมีกี่คนเราพุทธยนมัสกั มาส ก, การค่ะหลวงพ่อคือฟังหลวงพ่อมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาแป๊บหนึ่งนะขอเวลานอกคนที่ส่งการบ้านเสร็จไปรู้สึกไหมไปทําอะไรอยูอย่ไม่ใช่สิคนละคนปีชี้เอาคนข้างหลังเขาละเมื่อกี้ใจลอยไม่ใช่คนคนข้างหลังิงนั่นแหละเออใจลอยอา้าค่ะกจะ็จะเริ่มรู้สึกว่าทุกที่นานๆก็จะทุกสั้นลงอืแต่อย่าน้อมใจให้นิ่งนะ น้อมใจให้เนียนเ น, ยนอย่าทําอย่างนั้นให้รู้อย่างที่เขาเป็นตอนนี้มีการดัดแปลงจิตใจดูออกไหมจิตใจเรานุ่มนวลกว่าความเป็นจริงะนะอย่าจะดัดแปลงมันให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเขาแล้วก็ตอนที่ปฏิบัตินี่จะปฏิบัติในรูแปแบบมีสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิด้วยแล้วก็ขณะทีะ่นั่งสมาธิไปเนี่ยก็จะรู้ตามรู้กายแล้วก็รู้จิต พอออกจากสมาธิไปปุ๊บมันจะเหมือนมีตัวสิ่งที่รู้ผ่านดวงตาแล้วมองที่ร่างกายก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นวัตถุก้อนท่าอินนั้นถูกนะแต่ระวังอันเดียวอย่าประคองใจให้นิ่งแล้วก็ถล่มเราไปประคองตัวผู้รู้ไว้แล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเงนี้แต่ใจมันจะนิ่งผิดความจริงอยู่นิดหนึ่งถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใจต้องเป็นธรรมชาติเลยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไป ของคุณมันติดการประคองตัวผู้รู้ประคองตัวผู้รู้หรือ ป, ป, ประคองจิตนั่นแหละประคองความรู้สึกตัวเอาไว้ตัวนี้ไม่ประคองรู้สึกไหมจิตใจขนาดเนี้ยมันไม่เป็นธรรมชาติมันนุ่มนวลกว่าความจริงเออเริ่มเป็นธรรมชาติแล้วต้องอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างตะกี้ค่ะอย่างนี้ใช้ไม่ได้อีกละเห็นไหมเริ่มกลับเข้าไปที่เก่าอีกละอืมนะไม่เข้าไปตรงนั้นะอจบยังค่ะอยาง ถามหลวงพ่อว่าในขณะที่เรามองดูจิตเนี่ยเรารู้ว่าอารมณ์โกรธแล้วก็อารมณ์หลงและในขณะเดียวกันปุ๊บเราจะมารู้กายที่เจ็บมันสลับกันไปอย่างถูกต้องทําใช่อย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วถ้าเขาสลับของเขาเองใช้ได้ถ้าจงใจสลับก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะหลวงพ่อตอนที่เล่าให้หลวงพ้าฟังแตะเกียจจิตตรงนั้นใช้ได้เห็นไหมจิตที่ไม่ได้บังคับไว้ตอนนี้กลับมาเป็นจิตที่บังคับให้นิ่งอีกแล้ว ต้องเลิกให้ได้นะถ้าเลิกไม่ได้มันจะเดินมิปัสสนาไม่ได้ค่ะค่ะแล้วก็ขอการบ้านหลวงพ่อชี้แนะในการปฏิบัติให้รู้ทันจิตไปอย่าประคองมันนะค่ ะ, คะอ้าวต่อไปอ้าวเชิญแม่ชีกลัานามัสการหลวงพ่อหลวงพ่อปาโมดค่ะก่อนอื่นแม่ชีขอตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่หลวงพ่อได้ชี้นาเนี่ยเป็นอาจริยบูชาเพราะว่า แม่ชีได้เห็นแสงสว่างทางธรรมบ้างจากการได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่แม่ชีปฏิบัติอยู่ก็คือเห็นการไหลของจิตที่เร็วมากบางครั้งแม่ชีรู้สึกเหนื่อยว่าตามรู้แม่ชีก็ต้องเอาพุโทโธธรรมูสังโคเป็นเป็นหลักก็ยังเห็นว่ามันไหลไปก็มองมันไปอย่างเหมือนบางครั้งก็แอบยิ้มว่าของแม่ชีอยู่ตรง ท, รงที่ตรงที่มันไหลไปเนี่ยจิตยังไม่เป็นกลางนะใ <Okay. S 2> จยังไม่ชอบ รู้สึกไหมไม่ชอบที่มันไหลรู้สึกให้รู้ทันจิตที่ไม่ชอบนะคะและแม่ชีก็เห็นถึงสังเกตเห็นว่าจิตมันสร้างภพเวลาที่สถานการณ์เปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ใช่อันนี้ไม่ทราบว่าคิดจากจการอ่านหร ร, นะรู้สึกได้เองนะคะรู้สึกถูกต้องแนละ้วและแม่ชีเนี่ยปฏิบัติมาสี่เดือนจําได้ว่าเคยไปการาบพระอาจารย์ที่สวนสันนิธรรมตอนนั้นเป็นสามเณรีเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อก็ให้คําแนะนําว่าอะ มีโทสะที่จะอยากจะเป็นคนดีแม่ชีก็ลองไปฝึกจึงเห็นกิเลสมากมายแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่แม่ชีปฏิบัติตรงครั้งหนึ่งในการนั่งสมาธิเป็นของจริงหรือเปล่าคือแม่ชีนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเห็นมันเหมือนก็เห็นจิตตัวเองเนี่ยมองเห็นตัวเราที่หัวพังกไปเหมือนกับน่วงแล้วเห็นความน่วงอยู่ต่างหากอ๋อถูกสิแล้วตัวจิตเป็นตัวรู้ ซึ่งตอนนั้นแม่ชียังไม่ได้ปฏิบัติมากมายก็เห็นแล้วแป๊บหนึ่งก็รู้สึกดีใจและแม่ชีรู้สึกไหมถ้าพยายามปฏิบัติให้มากมายเพื่อจะเห็นนะั้มันไม่เห็นใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะโลภะมันเกิดเข้าใจใ<ช>ค่ะแล้วแม่ชีก็อ่ออานหนังสือมากคืออ่านของหลวงพ่อเล่มสีฟ้าก็ได้คําตอบมากมายก็เฝ้าดูต่อไปแต่ตอนนี้คือกราบเรียนหลวงพ่อว่าแม่ชียังติดขัดอะไรไหมคะหรือว่าถูกต้องแล้วมีการประคองใจไว้หน่อยหนึ่งนะค่ะเดี๋ยวประคองอยู่ แล้วก็ยังเวลารู้สภาวะแล้วยังแทรกแซงอยู่ะไปดูตรงนี้แหละขออีกสักข้อค่ะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ไม่ชีรู้เนี่ยที่จิตมันไหลไปคิดไม่ชีไม่รู้ว่ามันคิดอะไรไม่สําคัญให้รู้ว่าจิตคิดนะไม่สําคัญว่าจิตคิดอะไรค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นโทสะโลภะเลยไม่จําเป็นแค่รู้ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปรู้เท่านี้พอนะักปฏิบัติจริงๆรู้แค่นั้นแหละไอ้ที่มากกว่านั้นน่เกินละ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนหลบยังกินจิสมูทะยะธรรมมังนะสัพพันตังนิโรธธรรมมันติท่านบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดนั่นแหละมีความดับไปเป็นธรรมดาคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคือคําว่าซัมติงซัมติงไม่รู้ว่าคืออะไรนะเราะนั้นภาวนาจนถึงขั้นที่เห็นสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีสมมุติบัญญัติเนี่ยมันไม่รู้ว่าคืออะไรแล้แค่นั้นพอไหมแค่นั้นแหละดีแล้ว หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนะว่าในหลวงนะท่านถามผู้าาบาอจารย์มัดป่าบอกว่าท่านรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนะี่ยท่านรู้หรือไม่รู้นะหลวงพ่อพุทธก็ทูลในหลวงบอกว่ารู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนั่นแหละยอดของการรู้เลยรู้แล้วไม่เจือบัญญัติลงไปส่วนพวกเรารู้ปุ๊บภาคปั๊บรู้สึกไหมอ้าวต่อไปกราบธรรมสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ คือหนูเพิ่งมาฟังซีดีคือก่อนหน้านี้เคยฟังฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เลิกฟังไปแล้วตอนหลังนี่คือมันมาเจอกับทุกข์หนักๆในชีวิตก็เลยประมาณว่าพอผ่านช่วงนั้นไปแล้วได้กลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งก็รู้เรื่องมากขึ้นก็แปลกใจตัวเองว่าเอ๊ะมันก็ ภาษาเดิมๆคำพูดของพอ่อเดิมๆแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจตอนนี้พอเราเข้าใจก็เลยเพิ่งได้เดือนกว่านะคะก็ได้ดูเพราะว่าแต่มันมีอะไรให้ดูเยอะเพราะเป็นคนมีเกลเร็ดตัวเยอะตั้งแต่โทรศัพท์ราคาคือมันเห็นโดยเฉพาะโทรศัพท์มันจะเด่นเราพอดูไปก็คือตอนแรกที่เห็นก็คือทุกอย่างที่เราเคยคิดว่าเราพอจะรู้จักตัวเองมันไม่ได้รู้จักเลยเจ้าค่ะมันก็เลยได้เห็นความจริงว่าอะไรที่เราคิดว่าเราแอบว่าช่วน้อยมันก็ช่วเยอะ ไอตัวไหนที่มันดูเหมือนไม่มีมันมีมแล้วตอนที่เห็นพอมันมีเยอะตอนแรกมันมีที่ตกใจด้วยว่าเฮ้ยเราเยอะขนาดนี้เลยเหร อ, อ, อเยอะกว่าที่คิดใช่ใช่เจ้าค่ะเยอะมากแล้วก็บางทีก็งงงงว่าอแปลกเราไม่เคยเห็นตัวเองเราอยู่กับตัวเองมาเราไม่เคยเห็นนั่นแหละดีแล้วเจ้านะค่ะพระธรรมนิชเราเรียนเรื่องตัวเราเองเรียนจนเข้าใจมนะัน่ะเข้าใจถึงขีดสุดนะั่นจะไม่ยึดถือมันมันไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอกดีทำถูกแล้วนะ ภาพเปลี่ยนนะอดทนไปจ้าค่ะไม่ความ<ร>ทุกข์นั่นแหละเป็นกำไรชีวิตแล้วเจ้าค่ะทีนี้มีอีกนิดนึงที่อยากจะถามคือช่วงที่เจอกับความทุกข์หนักเพิ่งผ่าน ม, มินานแล้วมันเกิดสภาวะซึ่งแบบว่าเห็นก้อนแน่นมากในอกขึ้นมาเป็นรูกกระโล่ลอแล้วทีนี้มันก็อัดขึ้นมาถึง<อ>ถึงหัวใจขึ้นมาลิ้นปีกยันมาจนเรามีความรู้สึกว่าเราจะตายตรงนั้น<อ>แล้วมันก็แปลกคือคือไม่รู้ว่าตัวเองหลงหรืออะไรคือตอนนั้นเหมือนคนขาดสติที่บอกไม่แน่ใจคือแบบความรู้สึกทุกอย่างหายไปหมด คือความโกรธความอะไรมันไม่มีขึ้นมาคือเรางงงเหมือนกับเราตัวเราก็ไม่มีมันหายไปหมดเออนั่นแหละเรามีสติขึ้นมาเจ้าค่ะเห็นแต่สภาวะนะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์เจ้าค่ะตรงนั้นคือก้อนทุกข์ที่มันมันคือก้อนทุกข์นะเจ้าค่ะแล้วไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ก้อนนั้นหายนะเจ้าค่ะเออมันมีเหตุมันก็เกิดเจ้าหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้ดูไปเลยนะไม่เห็นมีอะไรน่ารักเลยในกายในใจนี้ดูอย่างนี้แหละเจ้าค่ะล้วที่โยมดูอยู่นี่คือพอจะถูกทางถูกแล้วสิ คอย่างนี้แหะมันจะค่อยๆล้างกิเลสไปนะอนุนสัยทั้งหลายความเคยชินชั่วๆทั้งหลายมันจะค่อยสลายตัวเพราะเรารู้ทันนะเราไม่ทําทชั่วเจ้าค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะต่อไปดีภาวนาและเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์นะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูเคยไปฟังหลวงพ่อมาแล้วเข้าคอร์สมาแล้วได้ประมาณสมเดือนก็รู้สึกว่าชีวิตมีความทุกข์น้อยลงค่ะแล้วก็สั้นด้วยค่ะ แล้วแต่มันไม่เกิดปัญญาแล้วก็ไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าทำไมไม่เกิดปัญญาทำไมไม่พัฒนารู้ไหมจิตมันว่างชอบนั่นแหนะละมันติดอยู่ตัวนั้นแหละนะมันไปติดความสุขซะแล้วมันเลยไม่เอาอย่างอื่นแล้วมันไม่ยอมรู้กายรู้ใจนะอย่าไปติดอยู่แค่นี้นะแค่นี้ไม่พอคพยายามกลับมารู้สึกที่ร่างกายไว้อย่าให้ใจไหลไปอยู่ในว่างๆถ้าใจไหลไปอยู่ในว่างๆแล้วก็มันไม่เดินปัญญาละ เวลานั่งสมาธิชอบจิตว่างไปกวาดบ้านแทนนั่งสมาธิเลยไปค่ะนะก็อาศัยว่าเดินออกกำลังกายแล้วก็ดูสภาวะตัวเองไปแต่ว่าไม่ค่อยเห็นสภาวะไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าจิตมันติดว่างๆถึงไปออกกำลังกายนะหวังว่าจะดูจิตใช่มลึกๆก็คือยังโลภที่จะดูอยู่ค่ะไม่ได้เรื่องไปกวาดบ้านไปค่ะนะไปกวาดบ้านแล้วก็ไปโมโหคนที่บ้านเนี้ยแป๊บเดียวก็เห็นละ แต่โมโหนี่ดูง่ายคช่ไหอใช่หลวงพ่อรู้แล้วหนูปฏิบัติถูกหรือยังคะหลวงพ่อถูกได้ยังไงไปติดว่างอย่าไปติดว่างนะค่ะมันไม่ยากหรอกปล่อยถ้าไปว่างอยู่จิตไม่เกิดปัญญาตอนแรกก็ปัญญาเกิดดีพอมาหลังๆนี่มันรู้สึกว่าไปติดว่างค่ะอ่ะคนต่อไปนางนมักสการ์นรักสการหลวงพ่อครับตอนนี้ตื่นเต้นนะครับ เพคยมาส่งกันบ้านเมื่อสี่เดือนที่แล้วครับหลวงพ่อให้บอกให้กลับไปดูสภาวะครับปัจจุบันก็คือดูตาดูในชีวิตประจําวันแล้วก็เดินจงกรมก่อนนอนนะครับอยากทราบว่าไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมสี่เดือนเนี้เห็นครับใจมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเหมือนว่าความความทุกข์มันจะเข้าไม่ค่อยถึงใช่มัเข้าเข้ามาถึงแต่เราตื่นแล้วใจที่ตื่นอยู่เนี่ยความทุกข์เข้ามาไม่ได้กิเลสทั้งหลายนะเหมือนผีนะ ถ้าเจอแสงสว่างแล้วผีไม่ค่อยกล้าหลอกเนี่ยจิตที่รู้จิตที่ตื่นอยู่เนี่ยมันสว่างไสวยอยู่นะกิเลสไม่ค่อยกล้าเข้ามามันชอบเล่นทีเผลออย่างเมื่อกี้เนี่ยหลงกําลังหลงอยู่รู้สึกไหมหลง <laughs> <laughs> ให้รู้ทันนะต้องทําทําเหมือนเดิมไปก่อนเหมือนเดิมทําถูกแล้วนะทําได้ดีแล้วขอบคุณครับ กล่าวนามัสการหลวงพ่อคะ่ะช่วงนี้ได้ฝึกปฏิบัติมาช่วงหนึ่งแล้วแต่รู้สึกว่ายังติดอยากติดเพ่งมากกว่ารู้ตัวจริงๆคะ่ะให้รู้ว่าอยากสิเพ่งอยู่ให้รู้ว่าเพ่งอยากอยู่ให้รู้ว่าอยาก้าเพ่งมันก็ามาจากอยากนั่นแหละ<า>อยากดูใช่ไหมอยากจะดูก็ไปจ้องไปรอดูอยากรู้ให้ชัดก็ไปนั่งเฝ้าไว้กลายเป็นเพ่งไปหมดเลยค่ะ<า>แล้ ว, ลวควรจะแก้ยังไงคะให้รู้ทันว่าอยากปฏิบัติไปดูใจที่อยากอ่ะใจอยากทั้งวันหละ เดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากกินเดี๋ยวก็อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยดูใจที่อยากบ่อยๆเดี๋ยวก็อยากปฏิบัติเนี่ยให้รู้ทันใจที่อยากบ่อยๆนะของคุณอะค่ะได้ค่ะขอบคุณครัรู้สึกไหมใจเราอยากทั้งวันเลยรู้สึกนั่นแหละเราดูความอยากได้ชัดเราดูไปค่ะค่ะขอบคุณครัดูโกรธไม่ค่อยชัดเท่าเพราะนานโกรธทีโกรธแล้วตุ๊บป่องตุ๊บป่องแต่ว่าความอยากน่าเกิดตลอดครับธรรมศสการหลวงพ่อเจค่ะ โยมฟังซีดีของหลวงพ่อมาเกือบสองปีแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเห็นอะไรเยอะแยะเลยแต่ไม่ไแน่ใจว่าเห็นเห็นจริงหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อเวลาเห็นนะเห็นทางห่างๆนะดูสบายๆดูไปอย่างสบายๆใจตอนนี้ไม่ค่อยสบายดูออกไหมมนนันอึดอัดตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมหค่ะ ใจมันหลงไปแล้วก็ค่อยรู้สึกของคุณรู้ร่างกายไว้ด้วยนะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวร่างกายไปพอจิตใจมันเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ทันว่าหลงไปละนะกระดุกดิกไว้นะแล้วจะดีอ๋อมันนิ่งไปละค่ะนิ่งไปเคลื่อนไหวไว้ไม่งั้นคุณจะหมกมุ่นในการดูจิตมากไปอ๋อเวลารานั่งเฉยๆเห็นมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างนี้เสร็จก็หมกมุ่นใช่ไหมคะไปไปเห็นจิตเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือเปล่าหรือไง าเห็นวูบวาบอยู่ข้างในตลอดเดี๋ย ว, วูบเดี๋ยววาบอะไรเ ร, เราถลําลงไปจ้องมันอ๋ออันนี้คือถล่มมัน<ช>ถลําลงไปอย่างเงี้ยดูไม่ให้คลาดสายตานะใจมันหมกมุ่นในการภาวนามากไปออกมารูกกายบ้างเคยครั้งหนึ่งเห็นความคิดผ่านหน้าไปาแล้วเราเคยครั้งหนึ่งกําลังทํางานอยู่แล้วกโกรธขึ้นมาเห็ น, น, นนะมันกระจายออกมาหมดเลยแต่ไม่ทราบว่าอะไรกรันอะไรนะเห็นอะไรนะเห็น เห็นใจใจมันเป็นยังไงเห็นความโกรธเห็นความคิดผ่านมาแล้วเป็นไงเห็นเหมือนมันมีเหมือนมันมีของหลายๆอย่างแตกกระจายออกไปอะค่ะใช่มันแตกไปหมดแหละนะความปรุงแต่งทั้งหลายแตกสลายไปในขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมาเห็นมันแวบเดียวแล้วมันก็กลับเข้ามาโกรธเหมือนเดิมเออได้ดีแล้วแบบวบเดียวนั้นได้บุญเยอะนะครูบาอาจารย์เคยสอนนี่ภาวนาได้เนี่ย ชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นได้บุญเยอะนะเห็นได้แวบนั้นแหละแล้วก็เห็นเคยเห็นความเครียดมันกระเด็นไปเออนั่นแหละความกังวลมันแป่งอยู่ข้างในเออแต่เวลาัวอย่าให้ใจเข้าไปครุกวงในดูห่างๆนิดหนึ่งมันไกลเกิน่มันครุกวงในมากไปอ๋อแต่ต่อไปมีอีกไหมอ๋อเหลืออีกห้าคนมาสู้ตายกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ ตอนนี้หนูสับสนนะคะหลวงพ่อว่าดังนิดเถอะหลวงพ่อหูอื้อวะอ่ะ เ, เสียงดังๆังหน่อยหลวงพ่อคะถ้าเราถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่มีตัวผู้รู้ผู้ดูหมายถึงว่าตัวผู้รู้ผู้ดูนี่คือเราไม่ได้สร้างขึ้นเอ ง, งใช่ไหมคะมันต้องเกิดขึ้นมาโดยมีสติอัตโนมัติหรือวะคะคือถ้าเรามีสติอัตโนมัติเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปตั้งตัวผู้รู้ผู้ดูแลน ะ, ค, ะคนที่ตั้งผู้รู้ผู้ดูนี่คือคนทําสมาธิ หายใจไปพุโทโธไปแล้วใจเป็นคนรู้พุโทโธใจเป็นคนรู้ร่างกายที่หายใจในสุดมันตั้งตัวผู้รู้ขึ้นมาพอตั้งตัวผู้รู้แล้วกลับมาดูกายเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเมธนาไม่ใช่เรานี่แนวหนึ่งนะส่วนของคุณเนี่ยดูลงในชีวิตธรรมดาเนี่ยมันต้องตั้งตัวผู้รู้ก็ได้ไม่จำเป็นหรอกแต่จิตมันชอบตั้งน ะ, ะจิตมันชอบตั้งตัวผู้รู้ คือเหมือนกับตอแรกคิดว่าถ้าไม่ถ้าเราไม่มีตัวผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเหมือนกับเราภาวนาไม่เป็นก็คือจะเราจะไม่ตื่นไม่มีสัมมาสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนะมันมีทางเดินหลายทางแต่ถ้าทําตัวผู้รู้ได้มันก็ดีมันดูได้มากถ้าอย่างนั้นก็คือตอนนี้หนูดูจิตอะค่ะถูกถูกแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อดูไปให้สบายกว่านี้น ะ, ะแตอนนี้ดูไม่สบายแล้วใจเรากระจายกว้างๆออกไปรู้สึกไหมค่ะนะอย่าให้ใจกระจายไปแบบนี้นะ อย่างนี้จะสบายอย่างเดียวตัวจริงขี้โมโหนะไปเอาตัวจริงแท้ๆออกมาโมโหพูดพูดฟูดโมโหน ะ, ะใครรู้บ่อยๆก็คือตอนนี้พอใช้ได้ไหมคะหลวงพ่อใช้ได้แต่มันไปกดไว้ถ้าตัวจริงมันโผล่ขึ้นมามันจะขี้โมโหนวัตกรรมค่ะหลวงพ่อสึกตื่นเต้นมากก็เ่อที่จะพูดเพื่ อ, อแต่ว่าคือที่ผ่านมาที่หลวงพ่อ ดูว่าเคยมีโมหะแล้วก็มีเรื่องของการประคองะค่ะช่วงหลังๆก็เริ่มเห็นเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนมันจะมีดูไหมจีเราเปลี่ยนไปนะภาวนาถูกแล้วไปทําอีกก็คือภาวนาเหมือนกับความเพียรอยู่กับสมาธิทําอย่างนี้แหละดูไปช่วงนี้ดูอยู่กับลมหายใจไม่ค่อยได้ยินเนาะช่วงนี้นูอยู่กับลมหายใจนะคะไม่ทราบว่ามันมีหายใจไปแล้วเห็นร่างกายหายใจไหมเห็นค่ะช่วงนี้ใช้ได้ใจถึงตั้งมั่นขึ้นมาค่ะนะทำถูกต้องแล้วหายใจไปแล้วใจเป็นคนดู เห็นร่างกายหายใจอย่างนี้ดีหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมแล้วก็เคลิ้มอันนี้ไม่ดีอันี้มีอะไรติดอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวบ้างไหมคะธรรมดานะถ้าไม่ติดเลยเป็นพระอรหันต์แล้วดูไปกน้ำมันสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นนะคะคือเพิ่งฝึกปฏิบัติมาสักประมาณเดือนกว่านะคะก็เห็นตัวเองโมโหบ้างอะไรเงี้ยนะคะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือเปล่าคะก็ถูกเหมือนกันนะไปหัดดูบ่อยๆเห็นไหมกิเลสเกิดได้ทั้งวันดวออกไหมค่ะนะกิเลสไหลแวบแวบแวบไหลทั้งวันเครรู้เอาค่ะคือบางทีก็รู้สึกโกรธขึ้นมาบางทีก็ตามใจโกรธไปสังเกตไหมว่าเวลามันโกรธจิตมันโกรธได้เองใช่ค่ะนะนั่นแหละดูไปเพื่อให้เห็นความจริงตรงนี้แหละจิตมันโลภได้เองจิตมันสุกจิตมันทุกข์ มันเปไปตามเหตุของมันไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะไปดูไปเรื่อยๆมันทํางานได้เองค่ะแล้วต้องใช้วิหารธรรมอะไรคะดูจิตไปดูจิตนะคะแล้วไม่ทราบต้องควรจะปฏิบัติรูปแบบแบบไหนรูปแบบนี้ควรทํานะไปถ้าเคลื่อนไหวได้ยิ่งดีคือคือตอนแรกเนี่ยสวดมน์นะคะแล้วบางทีไปหลงไปคิดก็รู้ว่าหลงแล้วบางทีก็ง่วงนอนนะคะก็เลยคิดว่าควรจะหารูปแบบอื่นนะคะถ้าง่วงนอนก็รู้ขึ้นเดิน นะให้ไปเดินเหรอคะออถ้าง่วงนอนนะถ้ายังไม่ง่วงสวดมนต์ไปแล้วเห็นจิตไหลไปไหลไปอย่างนั้นใช้ได้คื อ, อ, อไม่แน่ใจว่าพอพอมันรู้กายเนี่ยมันกลายเป็นมาเพ่งกายหรือเปล่าคะถ้าเพ่งกายเนี่ยวิธีดูง่ายๆถ้าเราเพ่งกายเมนะื่อไหร่แล้วใจจะหนักหนักใจจะแน่นๆ แ, แข็งๆ ข, ขึ้นมาถ้ารู้แล้วใจจะปลอดปลงล่งเบาของคุณมีเพ่งกายค่ะก็คือเพราะว่าช่วงหลังนี้ยมาลองรู้ลมหายใจเข้าออกดู พอรู้สักพักก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มง่วงนอนก็เลยลืมตาอลืมตาซะของคุณพอไปรู้หลมนะใจมันมันสงบลงมาแล้วมันจะหลับเอาค่ะควรจะไปเดินจงกรมกระดุกดิกไว้ดีกว่านะถ้าไม่ไม่มีที่เดินเดินไม่ถนัดก็นั่งขยับไม้ขยับมือไปนะเคลื่อนไหวอ ะ, ะอย่าให้อยู่นิ่งค่ะอะต่อไปหลวพ่อคุณค่ะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อ ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ระยะหนึ่งค่ะฝึกรู้ประจําวันไปแต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่ารู้ได้เป็นแค่บางครั้งแต่แล้วช่วงเข้าพรรษาเนี่ยค่ะก็เลยอธิษฐานว่าจะสวดมนต์เดินจงกรมระหว่างที่เดินเนี่ยก็จะเห็นว่าคิดเดี๋ยวคิดพอคิดเสร็จรู้สึกตัวก็กดมันแล้วก็เดี๋ยวมันก็คิดอีก <c oughs> หลายหลยสิบเรื่องเลยค่ะมันกดเองหรือเราไปกดมัน มันกัจะกดถ้าเรากดเรากดไม่ดีนะถ้ามันเคยชินที่จะกดแล้วมันกดเนี่ยไม่เป็นไรแค่รู้ทันค่ะก็ไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติอะค่ะถูกถูกต้องไหมเขาทำอีกนะยังไม่พออยากให้ให้หลวงพ่อช่วยพาดูสภาวะอะค่ะตอนนี้ใจลอยตอนที่บอกให้หลวงพ่อพาดูสภาวะใจไหลวิชิตดออกไหมค่ะเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเมื่อกี้เห็นค่ะร่างกายพยักหน้าก็แค่รู้สึกนะ ใจแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมนี่นรู้ไปอย่างนี้นะดูกายไว้แล้วก็มันจะเห็นจิตชัดอย่าทิ้งกายนะของคุณขเพราะจิตมันไม่ค่อยมีแรงถ้าไปดูจิตเลยเดี๋ยวจะหลงไปนานอาจารหลวงพ่อคะแล้วอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิไหมคะถ้านั่งก็นั่งรู้สึกตัวอย่านั่งเอาเคลิมนะของคุณมันพอใจจะเคลิ้มง่ายหรอกกล่าขอบพระคุณค่ะหมดยัง อ้าคนนี้ตรวจไปแล้วเมื่อกี้นี้นึกได้เอาว่าไปกาบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมเคยฟังซีดีอยู่ะเจ้าค่ะโยมมีอาชีพค้าขายแล้วกลับบ้านก็ต้องดูแลลูก อ, อันนี้โยมอยากจะได้กรรมฐานจากหลวงพ่อไปใช้ในชีวิตประจําวันดูใจของเราไปเลยน ะ, ะอย่างเราค้าขายอยู่วันนี้ไม่มีลูกค้ามาเนี่ยเราไม่สบายใ จ, จวันนเห็นลูกค้ามาเราพอใจ <c oughs> เห็นลูกค้าควันนี้หน้าตากวนมากเลย ชักเกลียดมันแลแต่ต้องแกล้งยิ้มไวอนะไรเงี้ยเราก็รู้ทันว่าเกลียดเขานะกลับมาบ้านลูกซนลูกร้องเสียงดังบ้านวุ่นวายใจเราไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุขรู้ทุกอย่างไปจำไม่เรื่องหนึ่งนะคนเราจะสุขจะทุกข์เนี่ยถ้าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะใจเรายอมรับได้เลยเราจะทุกข์น้อยถ้าใจเรายอมรับไม่ได้ใจจะทุกข์เยอะ เช่นเรากลับมาบ้านแล้วบ้านเราวุ่นวายเลยเรารู้สึกเบื่อเบื่อใจเรายอมรับไม่ได้ใจมันจะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นนะเราดูลงไปเลยใจมันเบื่อขึ้นมาแล้วรู้ทันใจมันลาคาลแล้วรู้ทันนะหลวงพ่อก็เห็นใจนะั่งงานหนักขอบพระคุณเจ้าค่ะมีคุณมาลีนี่นะก็ดูแลบ้านเองนะแล้วก็ทำงานด้วยงานหนัก ดูแลบริษัทอยู่คนเดียวเนี่ยห้าแห่งนั่นเหนื่อยมากเลยแต่ละวันแต่ละวั น, แ ต, วนแต่เขาก็ภาวนานดูแลบ้านเสร็จให้สามีนอนให้ลูกนอนแล้วตัวเองยังมาเดินจงกรมอยู่เลยภาคเพียรต่อสู้เพราะอะไรเพราะชีวิตเนี่ยเห็นอะไรมันไม่มีสาระแก่นสารเอาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยมีเงินเยอะๆก็ไม่ใช่อยเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกนะอย่าไป น, นึกว่าถ้าเรารวยๆแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่จริงหรอกคนรวยนี่ทุกข์เยอะเลย ก็ขออนุญาตทุกท่านในที่นี้นะครับเป็นตัวแทนในการกล่าวคำถวายอของทีท่ปัจจัยที่ญาติโยมได้นำมานะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมกับสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แ ด, ด่พระอาจารย์ประโมท ปาโมโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวกราบสิ้นการละนานเทินสาธุยัถาวาริวะหาปุราภริปุเรนตีสาคารังเอวเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกปติ อิชิตังปจิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพภูเรนตูสังคัปปะจันโดพนารโสยถามณิโชติลาโสยถาสัพพีติโยวิวัติฉันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตารโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาฒนาสีลิสนิจังุทาปจายโนจัตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขขัง พลังเดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้มานะมีงานที่อื่น